ขนาดสดขอโทษขอโทษแต่หนูมีแฟนแล้วเออแล้วไงพี่แค่มาต่อเท้าเธอจะมีแฟนแล้วแล้วแฟนเธอที่ไหนเนเขามาว่ดจะชวนไปผับมาเย็นเย็นมารับอาินาเมเจอร์ยอดตุต๊กตจะไปฝากเธอ ดูเซไอ้บ้าดูเซก็อยู่ดีดีแฟนเธอเดินมามีแฟนบางคนซ่อนบางคนอยู่ข้างหลังะวนันวนี้ฉันจะตีคนเธาเลลายซอนรักรักได้เลยถ้าเขาเพลยังไงก็คนไม่เจอยังไงเขาก็ไม่เจอจะเป็นแฟนเธอแค่ตอนนอนไลับเป็นโสดแฟนเพอย์แค่ตอนออนไลน์นนลจะเป็นแฟนเธอแค่ตอนนอนไลน์สดแฟนเธอยแค่ตอนออนไลน์จริงเหรอจริค่ะแมว่าไม่คิดไม่ เข้ามาชมมันเหมือนสะสมอัสต์แตมเซวอยากได้ของก็ต้องใจเย็นเราต้องคอยไปแม่ก็เธอกำลังวันไวเงาเรื้ยเปื่อยไม่มีใครจ้องตาขึ้นรถไฟฟ้าอัตบีทีเอสแอบห้าทางต้องพาไปเซจ ไ, ไอ้บ้าดูเซไอ้บ้าดูเซจังหวายเนี่ยแฟนเราดันมานแฟนดังหน้าตอนบางคนอยู่ข้างหลังไว้นู้ไไน ไ, นไว้นี้ฉันจะตีก้นเธอเล่นลายซ่อนรับรับได้เลยถ้าโกบเพลอยัยงไงเก่าคนไม่เจอยัยงไงเข่ากรมไม่เจอเป็นแฟนเธอแค่ตอนนอนไลายจะเปนโสแฟนเพลสแค่ตอนออนไลังจะเป็นแฟ น, แฟนเธอแค่ตอนนอนไลนย <อา S 1>